เสียงทางหูที่มารับเสียงเนี่ยเสียงที่กระทบหูเนี่ยเกิดไหมเรามองเห็นได้บ้างหรือเปล่าอันนี้ถ้ามองเห็นได้เนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยมีวิปัสสนาญาณแล้วนะเริ่มเห็นความจริงของสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลนั่นแหละแล้วเริ่มรู้ด้วยว่ามันเป็นบ่วงรู้ด้วยนะว่ามันเป็นความคดทาให้ใจเราคดแล้วมันเหมือนกับปลาที่ไป กินเหยื่อแล้วก็ติดเบ็ด ม, มันมันมันเป็นอย่างนั้นไหมเรารู้สึกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองใจซึ่งมีจริงๆแล้วก็มีสิบอย่างเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นกิเลสใหญ่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเราคงจะต้องรู้สึกเหมือนท่านว่าใครเราจะมาช่วยกระชากบ่วงให้หลุดไปเพราะเราเรากระชากไม่หลุดตัวเองกระชากไม่หลุดก็ถามตัวเองว่าใคร่ะ จะเป็นสัมมณะหรือพรามที่จะช่วยเราได้ท่านกล่าวต่อไปว่าจิตของเราถูกรอยไว้ด้วยความลังเลสงสัยอันนี้หมายถึงวิจิกิจชาคือยังยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าใครน้อจะเป็นผู้มาช่วยเราเนี่ยให้พ้นทุกข์ไปและประกอบด้วยความแข่งดีเป็นกำลังนะความแข่งดี อันนี้เป็นกำลังแห่งความถือตัวที่จะเหนือกว่าคนอื่นประกอบด้วยความแข็งดีเป็นกำลังฉุนเฉียวเนี่ยท่านเห็นความโกรธของท่านที่เกิดขึ้นว่ามันมีลักษณะอย่างนั้นอ่ะฉุนเฉียวถึงความเป็นจิตกระด้างแล้วก็ให้รู้ด้วยว่าจิตนี่มันกระด้างมันแข็งใ้ความโกรธนะ่ะบางทีท่านก็เปรียบว่าเหมือนอึงเหมือนอึ่งอ่างเวลาโกรธแล้วมันพอง จิตนมันแข็งมันกระด้างไม่อ่อนโยนมันมีลักษณะอย่างนั้นจริงๆเป็นเครื่องทำลายตัณหาสิ่งใดมีธนูคือตัณหาเป็นสมุดฐานมีประเภท30เป็นของมีอยู่ในอกเป็นของหนักทำลายหาไทยแล้วตั้งอยู่ ขอท่านจงดูสิ่งนั้นเถิดการไม่ละความเห็นผิดเล็กน้อยอันลูกศรคือความดำริผิดให้อาถานแล้วเราถูกยิงด้วยลูกศรคือทิฏฐิความเห็นผิดนั้นวันไหวอยู่เหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดฉนั้นลูกศรคือทิฏฐิตั้งขึ้นแล้วในภายในของเราย่อมไหม้ทันที กายอันเนื่องด้วยสัมผัสหกนะสัมผัส6คือตากระทบสีนะสีมากระทบตาแล้วก็เกิดจักขคูวิญญาณสามอันนี้มันตั้งอยู่ร่วมกันไอ้สิ่งที่ทําให้ตั้งอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาเรียกผัดสะผัดสะเตจตสิกทำหน้าที่กระทบคือทําให้จักรคูวิญญาณเนี่ยวิญญาณที่เกิดจ ง, จงเล่นตาเนี่ยเห็นรูปได้เห็นสีได้ ทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันเหมือนลักษณะอย่างนี้นะแต่อารมณ์เป็นคนละอย่างทางหูก็เป็นเสียงไปเนี่ยกายอันเนื่องด้วยสัมผัสหเนี่ยกายเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องอยู่กับไอ้เรื่องการที่จะต้องไปได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ลิ้มรสได้สัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ความคิดทางใจ เกิดขึ้นแล้วในที่ใดย่อมแล่นไปในที่นั้นทุกเมื่อไอความเห็นผิดเนี่ยมันจะแล่นไปในที่นั้นเราไม่เห็นหมอผู้ที่จะถอนลูกศรของเราเยียวยาเราโดยไม่เยียวยาด้วยเชือกต่างๆด้วยสตราและโดวยวิธีอื่นๆนี่ท่านท่านกล่าวถึงกิเลีของท่านนะวิจิกิจชาก็ดีนะามพระหัวดือ้อหรือแข่งดีความโกรธ แล้วก็ตัญหาซึ่งท่านบอกว่าเหมือนลูกสอนและยังมีกิเลสที่ท่านเห็นชัดอีกก็คือความเห็นผิดได้แก่สักกายาทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดทานตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไม่เห็นหมอเลยที่จะมารักษาได้นะด้วยอาวุธด้วยเชือกหรือด้วยวิธีอื่นๆท่านกล่าวต่อไปว่าใครไม่ต้องใช้ศัตราไม่ต้องใช้อาวุธ ไม่ทําให้ร่างกายเราเป็นแผลไม่เบียดเบียนร่างกายเราทั้งหมดจากถอนลูกศร อ, อันเสียบอยู่ภายในหัไทยของเราออกได้เนี่ยท่านเห็นเลยว่ากิเลสกียานกียางที่เกิดขึ้นก็เหมือนลูกศรที่มันทิ่มแทงอยู่เจ็บปวดอยู่และลูกศรบางอันก็ทําให้ไหม้ไหม้เหมือนกับเผา ไปเคยเป็นธนูไฟเผาใจอยู่ด้วยแล้วถามว่าหมอคนไหนหนาที่จะมาถอนลูกศร อ, อันนี้โดยไม่ต้องเบียดเบียนร่างกายใครไม่ต้องใช้สัตว์ตาไม่ทำให้ร่างกายเราเป็นแผลไม่เบียดเบียนร่างกายเราทั้งหมดจกถอนลูกศร อ, อันเสียบอยู่ภายในหัวใจของเราออกได้ก็บุคคลผู้นั้นเป็นใหญ่ในธรรมเป็นผู้ประเสริฐ ลอยโทษโทษก็คือกิเลสอันเป็นพิษเสียได้ช่วยชี้บกบกก็คือไม่ใช่ในน้ำนะฝั่งนะ่ะช่วยชี้บกคือนิพพานนิพพานและหัดหัดคือมือมือมือนี่หมายถึงคืออริยมรรคแก่เราผู้ตกไปในห่วงน้ำคือสงสารอันลึกเหมือนคนที่ตกไปอยู่ในน้ำนะแล้วใครนอจะมาบอกว่าฝั่งอยู่ตรงนั้นนะ เธอจงใช้มือเนี่ยว่ยไปให้ถึงฝั่งให้ได้ในพวกเราก็เป็นอยู่อย่างนี้นะเรายังตกอยู่ในสงสารอันลึกลึกเนี่ยคือหมายความว่ามันยังไม่มีทางหลุดพ้นขึ้นมายังไม่มีทางขึ้นมาจากวัฏสงสารได้ถ้าไม่มีผู้ชี้ทางให้คือยังต้องเกิดตายเกิดตายเกิดตาย ไปตามอำนาจของกิเลสเพราะกิเลสนั้นมันไม่ได้ให้อะไรแก่เรานอกจากให้ความทุกข์ในความเกิดทุกข์ในความตายแล้วก็ทุกข์ในความเกิดซ้ำๆ ซ, ซากๆอย่างนี้ท่านจึงเปรียบเหมือนห่วงน้ําซึ่งมันพัดให้จมลงไปลึกคือคือหมาความว่าถูกท่วมทับด้วยความทุกข์แห่งความเกิดความตายอยู่ตลอดแต่ใครเนอจะมาช่วยชี้ฝั่งบกที่จะให้พ้นไปจากน้ําแล้วก็ ชี้ด้วยว่าต้องใช้มือของตัวเราเองเนี่ยนะว่ายข้ามไปว่ายข้ามนี้ไปเราเป็นผู้จมอยู่ในห่วงน้ำใหญ่อันนำดินคือธุรีไปไม่ได้ไ อ, ไอห่วงน้าเนี่ยคือมันก็มีแต่กิเลสะนะไม่สามารถที่จะชำระกิเลสอะไรได้เลยเป็นห่วงน้ำลาดไปด้วยมายาไอมายานี่คืออะไรครับเสแส้งนะแสง้งรมหลอกลวง มายามังคู่ัาษาไถสาไถยมันโอ้อวดมายาเนี่ก็ปกปิดความชั่วของตัวเองไว้แล้วก็ทำว่าตัวเราดีแ้งธรรมเนี่ยเป็นห่วงน้ำลาดไปด้วยมายาเป็นลักษณะของโลภความโลภอย่างหนึง่งลิษยาลิษยาอันนี้ก็ไม่ยินดีในสมบัติของผู้อื่นไม่ยินดีในลาบในยศในความสุขในจระเรินในของผู้อื่นเลยไม่ชอบใจเป็นตระกูลของโทสะอยู่ด้วย ความแข่งดีความแข่งดีก็ทกูลโทสทเหมือนกันอย่างที่พระสองรูปนั่นนะเขากล่าวแข่งดีกันและความง่วงเหงาหาวนอนอันนี้หมายถึงถีนามิทธะเนี่ยมันเป็นห่วงน้ำใหญ่ซึ่งมันท่วมทับชีวิตของสัตว์โลกอยู่เจียวเฉพาะชีวิตของท่านเตลูกานี้ความดําริทั้งหลายอันอาศัยซึ่งราคะความคิดความตรึกรก็ตึกไปด้วยว่าอยาก อยากอะไรแล้วก็คิดถึงสิ่งนั้นไหลไปตามความอยากตรึกไปในความอยากหรือหมกมุ่นคิดถึงแต่สิ่งที่อยากโดยอาศัยราคะนั่นแหละเป็นเหตุให้ต้องคิดอยู่ไม่งอหัวขึ้นมาเลยความดําเบิทั้งหลายอันอาศัยซึ่งราคะเป็นเช่นกับห่วงน้ําใหญ่ห่วงน้ำใหญ่คือมันไหลมาตลอดมีเมฆคืออุททัจฉะอุธทธัจฉะนี่คือความฟุง้งซ่านเป็นเสียงคำรน เมฆมันร้องใช่ไหมเขาเรียกว่าปลาร้องอ่ะร้องครวนครางเขาฟุ้งซ่านอยู่ในลักขะมีสังโยชน์เป็นฝนสังโยชน์นี่ก็คือกิเลส ท, ที่มันผูกให้สัตว์ต้องอยู่ในวัฏสงสารให้เกิดตายในวัฏสงสารนะเป็นเหมือนฝนที่ตกลงมาพุทจจะมีแล้วก็ทีนี้กิเลสอื่นๆก็ได้โอกาสย่อมนําบุคคลผู้มีความเห็นผิดไปสู่สมุดคืออบายย่อมอะไรฝนมันตกมาทําไมตกมาแล้วก็จะนํา เอาคนที่อยู่ในน้ำน่ะไหลไปสู่มาหาสมุทรคืออบายาภูมิได้แก่กำเนิดในสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนั้นจริงๆเนีชีวิตของคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่มันจะตกอยู่ในอำนาจอย่างนี้มันจะไม่คิดกันเรื่องอื่นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรากุศลจะเกิดน้นอยถ้ากุศลเกิดมาก เราก็คงเป็นพระิยาบุคคลไปแล้วไม่ต้องมานั่งบาเพ็ญกุศลกันอีกแต่นี่เพราะว่ากุศลของเราเนี่ยเกิดได้ไม่มากกระแสน้มของกิเลสเนี่ยมันพัดเอาจิตใจเราซึ่งมีลักษณะต้องคิดเนี่ยมันจะคิดไปตามกิเลสอยู่ตลอดเวลาเป็นที่ด้ตังเวทสำหรับผู้ที่มามองเห็นแต่ก็เป็นที่ ชื่นชมหรือลื่นรมของคนที่เขาชอบกิเลสเขาไม่ได้เห็นโทษของกิเลสอะไรอไม่ได้คิดเลยว่าการที่เราฟุ้งซ่านไปกับราคะเนี่ยมันเป็นอย่างไรเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์เนี่ยไม่ได้คิดก็มีโยมคนหนึ่งเมื่อสองต้มวันเขามาขอบวชนะขอบวชเป็นเนนที่วัดนะท่านเจ้าอาวาสก็บอกเอาถือศีลแปดไว้ก่อน แล้วก็มาหาอาตมาก็ขอให้รับศีลแปดอาตมาก็ถามว่าอา้าวทาไมถึงมาบวชนะเขาโกนหัวมาเสร็จเลยดุงข่าผมขาวมาเขาก็บอกว่าผมตอนนี้มันดวงตกเหลือเกินชีวิตมันตกอับเหลือเกินมีแต่เรื่องเดือดร้อนดังนั้นบอกเดือดร้อนเรื่องอะไรก็บอกว่าผมเก็บเงินไว้ได้สองแสนเก็บมาโดยลําบากยากเย็นนะครับ เป็นเวลาทั้งหลายปีตอนนี้ไอ้เงินมันหมดเพราะว่าต้องเอาไปใช้หนี้เขาหมดนื่องจากว่าทางานเป็นเซนแมนเอาของไปลงแล้วเขาจ่ายเช็คมาเช็คมันก็เด้งเขต้องเอาเงินของตัวเองเนี่ยไปเคลียร์เช็คหรือว่าต้องเอาไปให้แกเจ้าของร้านที่เราไปสั่งของมาบอกหมดเจอกันไปเอาของไปขายใครขายใครเนี่ยก็หมด คือโดนโกงหมดนะรวมๆกันแล้วก็สองแสนกว่าบาทเนี่ยบอกฟุ้งซ่านเลยคราวนี้นะคิดจะฆ่าตัวตายเนะขับรถไปนะี่คิดแาอยากจะเอารถชนเสาไฟฟ้าให้ตายบอกกลุ้มไปหมดนะแล้วก็วิธีแก้กลุ่มก็เลยไปหาเพื่อนไประบายเพื่อนเพื่อนก็เลยเลี้ยงเหล้า ก็กลุ่มกันอีกกินกินล่าวันนี้กลับบ้านดึกมาอา้าวมีปัญหากับแม่บ้านขึ้นมาอีกแล้วบอกว่ากลุ่มใจอย่างยิ่งเลยไหนที่สุดจะคิดขึ้นมาได้ว่าเออบวชสักทีเถอะหยุดสักทีนะหยุดไอทํางานสักทีมันกลุ่มใจหลายอย่างก็เลยไปลางานมาเดือนหนึ่งเนี่ยบอกจะมาขอบวชเนี่ยหวังว่าจะ ให้ดวงมนันขึ้นขึ้นมาอีกนะคนเราก็เป็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าคุณก็ยังมีอะไรอยู่อีกตั้งเยอะไม่ใช่หรือนะทำไมไม่คิดถึงสิ่งที่มีล่ะยังมีรถยนต์ยังมีบ้านยังมีงานก็ยังมีทำอยู่นะก็ไอ้สองแสนของเรานะั่นะนะมันก็หมดไปนะประจาเป็นเรื่องความจำเป็น แต่สิ่งที่เรามีอยู่มันก็ยังมากกว่านี่มากกว่าไอ้สองแสนนัน่นะยังมีงานยังมีเครดิตยังมีความไว้วางใจจากคนอื่นนะไม่ใช่หรือไม่คิดอย่างนี้บ้างล่กแล้วยังมีคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากมากกว่าเราอีกเยอะแ ย, ย, ยะเนี่ยต้องคิดให้มันเป็นนะไม่คิดไม่เป็นแล้วมันทุกข์ใจมากเหลือเกินเขาก็บอกเอาแหมมันเสียดายจริงๆเลยอุาสาเก็บมาทีละพันทีละล้อยน่ะนะ ทำงานมาแทบตายเลยกว่าจะได้มาแล้วมันมาหมดไปแป๊บเดียวเนี่ยมันทำใจยังไม่ได้นะเป็นยังทาใจไม่ได้เนี่ยก็น่าสงสารคือหน้าดำข้ามเครียดหมดเลเรียกว่าหาความสุขไม่เจอหาความสุขในชีวิตเนี่ยไม่เจอก็เลยคุยกันพอสมควรว่าให้สิ่งที่จะให้ความสุขแก่ชีวิตเราเนี่ยมันไม่น่าจะใช้เงินนะ มันไม่น่าจะเป็นความโลภที่มีเงินหรือว่าไอ้ความตนหนีที่หวงเงินไว้เนี่ยมันคงจะไม่ใช่แต่แล้วมันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะมันควรจะเป็นสิ่งอื่นมากกว่ามันควรจะเป็นความดีของชีวิตเป็นสมบัติของชีวิตเราแท้จริงมากกว่าก็เลยบอกว่ า, อาลองมาเอาความสุขแบบนี้บ้างไหมล่ะนะลองมาคิดถึงศีลของเราเนี่ยที่เรารักษาเนี่ยแปดข้อเนี่ยใ ห, ให้คิดดูอยู่นะ แล้วก็ให้แผ่เมตตาคิดเสมอเลยยืนเดินนั่งนอนก็สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขแล้วก็อุทิศบุญบ้าง้คนที่มันโกงเรา่ะเนี่ยนะเอาบุญช่วยกันหน่อยได้ไหมคิดกันอย่างนี้ไม่ดีกว่าก็ก็คงต้องอาศัยเวลาแล้นะเพราะว่าไอ้ลูกสอนที่มันเสียบแทงในใจเนี่ยมันถอนยากนะมันถอนยากบ่วงใหญ่ที่รัดใจเนี่ยมันถอนยาก แล้วเราเองบรร ญ, ญาอย่างเราเองเนี่ยมันไม่มีไม่มีบรร ญ, ญาที่จะมารู้จักว่าเออเราจะถอนในความคิดอย่างนี้ออกไปยังไงนะถอนในความคิดที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธประกอบด้วยความริษยามานะนี่มันถอนยังไงมันถอนไม่ได้มันคิดได้แต่ถอนไม่เป็นคิดคือคิดไปตามกิเลสเนี่ยคิดสบายเลยคิดยังไงก็ได้คิดให้มันกลุ่มมากๆยังไงก็คิดได้แต่ว่า คิดที่จะให้กิเลสมันออกไปจากใจไหลออกไปจากใจเนี่ยมันคิดไม่ออกคนเราเนี่ยมันเดือดร้อนอยู่ด้วยความคิดจะสุขก็ด้วยความคิดเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันต้องคิดไปห้ามมันก็ไม่ได้ยังไม่ใช่ตัวจิตตัวเดียวยังมีตัวอื่นๆอีกที่มันช่วยกันคิดอนะไอเราพระก็ช่วยคิดแต่คิดแบบมันคิดแบบโลภเอาเอาให้ได้ได้ต้องได้อย่างเดียวเก่งไว้แล้วต้องได้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยเราไปทํางานต้องได้ ส0 0หมื่นสา ม, มื่นคนนั้นต้องให้เท่านั้นเท่า น, นั้นหรือคิดแบบา ก, กายยติทิก็ตัวเราเนี่ต้องต้องดีกว่าคนอื่นต้องได้เสียไม่มีมันมันช่วยกันคิดอย่างนี้นวิตกวิจายคือตรึกตรองไปในอารมณ์ที่ที่ทำให้เกิดความทุกข์อ่ะมันเป็นพิสัยของของกิเลสเพราะฉะนั้นต้อ ง, จ ะ, องจะต้องมีคนมาช่วยให้เราคิดกันใหม่ คุณคิดได้นี่คิดให้มันไม่โลภมันได้ให้อาความไม่โลภมันเกิดเน่ยได้คิดให้ความเมตตาไม่โกรธมันเกิดได้คิดให้มีปัญญาเกิดมันได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่มันไม่รู้แล้วมันไม่ฝึกมันต้องฝึกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเออคิดเมตตาสองนาทีแล้วมันจะเมตตาไปตลอดไม่ใช่มันต้องมาฝึกกันมากทีเดียวถ้าเราคิดว่าจะเอาชนะความโกรธให้ได้จริงๆเนี่ย ถ้ามันโกรธสักห้านาทีเนะี่ยมันต้องเมตตากันห้าชั่วโมงแล้วละ่ะชี้ชิษว่าจะเอาชนะความโกรธกันได้เนี่ยนะเพราะห้านาทีเนี่ยนะห้านาทีของไรื่องความโกรธที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นโดยที่ได้สะสมกําลังมาแล้วเหมือนกันมันจึงมาเกิดแล้วมันก็จะสะสมต่อไปได้เรื่อยไปได้เรื่อยๆไม่มีใครไปหยุดมัน เพราะไม่มีคู่ปรับอะไรเอา้าโกรธไปห้าทีแล้วก็หายไปเอามาอีกเนี้ยกเกิดได้มือนกอาจจะสิบ้านาทียี่สิบนาทีมากขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วไม่มีใครอยาไปหยุดยั้งมันถ้าคิดจะหยุดบันแล้วก็ต้องหาตัวคู่ปรับมันคือความเมตตาเป็นต้นเนี่ยเอามาใช้ให้ประจําชีวิตมันจึงจะสามารถหยุดไอ้ความโกรธความกุ่มใจอะไรอย่างนี้ได้ อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอยู่ไม่ใช่ว่าคนที่อัตมายกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นเพียงคนเดียวในโลกบอกไม่ใช่มันเป็นอยู่ทุกคนอะเราก็โกรธเราก็กลุ่มแต่อาจจะไม่ถึงอย่างเขานะเพราะว่าเราเราไม่ได้สูญเสียอะไรมากอย่างเขาเขาถือว่าแหมเงินสองแสนที่เก็บมาเนี่ยมันมันเป็นรางวัลชีวิตเขาอย่างยิ่งเลยแต่เขาต้องมาเสียไปโดยไม่ใช่เรื่องเนี่ย อาตอมาก็บอกว่าก็ยังอยู่รถอีกคันนึงอะ่ะเอาขายรถซะสิรถมันก็น่าจะได้มากกว่าสองแสนละ่ะแต่เขาก็บอกว่ า, อ, าอย่างไงผมไม่ขายฮะรถนี้เป็นความภูมิใจของผมอย่างยิ่งดิผมหาด้วยน้ําพักน้ําแรงของผมมาผมจะไม่ขายเด็ดขาดเอาไม่ขายก็ยิ่งดีสิเอาไว้เป็นที่ปลื้มใจเดี๋ยวจะไปหามันใหม่สองแสนอาตมาก็พูดได้นะเพราะว่าไม่ได้เป็นอย่างเขาเราไม่ได้เป็นคนไข้นี่ เราไม่ได้เป็นคนไข้เราไม่ได้ป่วยแล้วก็พูดยังไงก็ได้แต่ว่าคนป่วยเนี่ยมันแหมกว่าจะซึมเข้าไปได้จริงไหมเนี่ยอย่างที่อย่างที่ท่านพูดเนี่ยอย่างที่ท่านพูดเนี่ยจริงไหมเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตเราได้จริงไหมมันมันมันมันมันคงไม่ได้เดี๋ยวนั้นหรอกอาจจะจะบอกว่าในศีลของคุณเนี่ยนะที่คุณรักษาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งนะมันมีค่ามากกว่าไอ้สองแสนที่คุณได้มาอีก เพราะไอ้สองแสนนั้นทาให้คุณต้องเสียใจกลุ่มใจจะเป็นบ้าตาอยู่นี่ไงแต่ศีลเนี่ยทําให้คุณเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมมันไม่มีทางทําให้คุณเป็นอย่างนั้นหรอกคุณคิดไปในศีลนี่สิโอไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์นี่ยังไงนะโอต้องประกอบด้วยความเมตตาต้องประกอบด้วยจริตไม่ฆ่าแล้วจะได้คุณอย่างไรโอทําให้สัตว์ต่างๆมีอายุยืนอยู่ด้วยความสุขเราก็มีอายุยืนคิดไปดิคิดเข้าไปเถอะคุณไม่มีกลุ่มหรอกรับรอง แต่ถ้าคุณคิดถึงไอ้สองแตนคุณอยู่อย่างนั้นน่ะคุณก็กลุ่มอยู่ทุกวันน่ะแล้วคุณยิ่งคิดถึงไอ้คนที่มันโกงคุณน่ะคุณก็กลุ่มอยู่ตลอดอ่ะคุณเปลี่ยนใหม่ได้ไหมล่ะคุณเมตตาเขาเมตตาเขาซะอุทิศบุญที่คุณทำเนี่ยให้เขาซะแล้วก็แผ่เมตตาเขาอธิษฐานบุญเออถ้าเขาคิดถึงเราได้ขอให้เขาเอามาใช้เราบ้างเอาบุญช่วยกันเอาบุญช่วยบันดาญกันก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะเพราะว่าไอ้เรื่อง คิดเมตตาคิดถึงศีลเนี่ยมันเพิ่งมาฝึกกันนะคุณโยมมาฝึกเมื่อจะตายอยู่แล้วเมื่อจะแย่อยู่แล้วเหมือนคนตกลงไปในน้ํำนะ่ะแล้วก็มีคนมาบอกว่าเอาล้วนะว่ายน้ําเอาตั้งท่าว่ายจะยกมือซ้ายขึ้นทียกมือขวาขึ้นทีคงจะแย่เหมือนกันคงจะแย่นะะคงจะว่ายไม่ถนัดหรอกเพราะว่าน้ํามันเข้าปากบ้างน้ำํำอะไรบ้างท่วมทับมาที่ตัวเองก็ยากแต่นี่แหละ เป็นเรื่องที่อาตมาคิดว่ามันเป็นอยู่ในโลกปัจจุบันอนาคตแล้วก็อดีตพี่นะว่าใครจะเอามาพูดได้ดีเนี่ยอย่างท่านเตลูกการนี่ท่านเอามาพูดได้ดีจริงๆว่าเนี่ยท่านเห็นไอ้กิเลสมันมีอํานาจทําให้ท่านทุกข์ยากลําบากอย่างไรจําแนกออกมาได้เลยว่าโอ้โหกิเลสไม่มีตั้งหลายอย่างมันเหมือนลูกศอนทิมแทงแล้วไม่มีหมอคนไหนเนี่ยจะมา ช่วยได้เลยหรืออย่างไรหาหมออยู่ตอนนี้หาหมออยู่แล้วก็เห็นด้วยว่าเนี่ยถ้ามันมีกำลังมากก็จะพาเราไปสู่อบอายภูมิคนเมื่อมีความเห็นผิดมากขึ้นเห็นผิดมากขึ้นก็จะคิดว่ากรรมไม่มีผลกรรมไม่มีทานที่ให้แล้วไม่มีผลบูชาไม่มีผลหรือคิดคิดด้วยความโกรดที่มีอำนาจมากก็เออ ฆ่าไอ้คนนี้ดีกว่าให้มันตายดีกว่าไอ้ศัตรูของเราเนี่ยมันก็ตกระลอกได้แล้วไม่ต้องไปไปต้องไปฆ่าเขาจริงๆนําไปสู่อาบายจริงๆนะพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันไม่ไม่นําไปขึ้นน่ะไม่นําไปขึ้นสู่สวรรค์นะสู่พระนิพพานอะไรทั้งนั้นอ่ะเนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่เป็นบัณฑิตเขาจะมาเพ่งพินิษ ด, ดูไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นในใจเป็นที่ปรัสนาอย่างดีเลยแต่เราอาจจะไม่ชอบดูก็ได้ เพราะอะไรเพราะมันดูไม่เป็นดูไปแล้วก็เป็นพวกมันทุกทีเลยเออดีนี่นะเออมันก็เห็นแค่ตัวดีเนี่ยเออเดี๋ยวเราต้องได้นั่นได้นี่เราโลภอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้ไปฟังมันซะอีกคิดเชื่อมาเชื่อกับมันไปซะอีกแทนที่จะให้รู้จักตัวมันน่ะให้เห็นโทษของมันน่ะกลับไม่เห็นซะอีกกับช่วยกันคิดใหญ่เลยช่วยกันคิดไปกับมันเลยเอาเอ้าเอาเอาฟุ้งไปกับมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลย กระแสตัณหาทั้งหลายย่อมไหลไปตามอารมณ์ต่างๆกระแสนี่คือมันมีมากนะไหลไปตามอารมณ์ก็หกหกหกอารมณ์นะคือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและก็ธรรมารมณ์สีนะสีแต่เราเห็นแล้วไม่เห็นเป็นสีอะเราจะเห็นเป็นเป็นเรื่องอะไรไปเลยโอนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่รถยนต์แต่จริงๆที่เห็นทางตาเนี่ยคือสีนะสีแต่พอมีไอ้ความคิด ปรุงแต่งเข้าไปเรียกว่าเป็นบัญญัติเกิดขึ้นเนี่ยมันเกินสีไปแล้วเสียงก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วก็มีแค่เสียงหน้าที่ทางหูมากระทบแต่เราก็คิดเกินไปอีกอเสียงเออเสียงเพราะดีนี่นะเออเสียงผู้ชายคนนี้เสียงผู้หญิงคนนั้นเสียงอะไรต่างๆกลิ่นก็เหมือนกั น, นกลิ่นน้ําหอมนี่กลิ่นดอกไม้ไหลไปะรสอาหารสัมผัสสัมผัสอันนี้ได้แก่ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมที่มาสัมผัสทางกาย แล้วทางใจเนี่ยทางใจเนี่ยมันจะมีธรรมารมธรรมารมเนี่ยเฉพาะทางใจเท่านั้นธรรมารมนี่ก็คือจิตเจตสิกแล้วก็บัญญัติแล้วก็รูปรูปเขาเรียกรูปละเอียดรูปละเอียดอีกอีกออ ส, ส, ส, อนะสิบสิบสองนะรู้สึกจะสิบสอง๋ อ, อสิบหแล้วก็ยังมีรูปหยาบแต่ว่าก็ต้องรู้ได้ทางใจเช่นประาศ ต, ตาปราศหูซึ่งมีลักษณะใสๆเนี่ยต้องรู้ทางใจ แล้วก็ยังมีบัญญตัติต้องคิดทางใจะคิดทางใจแล้วก็มีทางมีอันสําคัญคือนิพพานแต่นิพพานเราต้องรู้ทางใจแต่เราไม่เคยไม่เคยเจอกันเนี่ยมันไอ้กระแสตัณหาเนี่ยมันไหลไปไหลไปในสีในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเขาเรียกโผฏฐัพพะนะสัมผัสทางกายเออนี่มันอุ่นดีนะเออนี่มันนิ่มดีนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออมันเย็นดีแล้วก็ทางใจ ทางใจก็ไหลไปในบรญญัติในจิตในความรู้อารมณ์ในเจตสิกที่ปรุงแต่งอารมณ์ ท, ที่มันเกิดขึ้นทางใจมันไหลไปอยู่อย่างนี้กระแสตัณหาทั้งหลายย่อมไหลไปตามอารมณ์ทั้งปวงตัณหาเพียงดังเถาวันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไอ้ตัณหาเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกระแสน้ำไปทีแล้วนะทีนี้เปรียบเหมือนเถาวันเถาวันเนี่ยโยมต้องสังเกตดู ไม่ต้องเถาวันใหญ่ก็ได้ไอเถาวันแบบเล็กๆที่มันมีอยู่ทั่วๆไปน่ะต้นตําลึงต้นอะไรก็ได้นี่มันจะพันไปตันหาเพียงดังเถาวันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ใครจะพึงกั้นกระแสตันหาเหล่านั้นได้ใครเล่าจะตัดตันหาอันเป็นดังเถาวันนั้นได้เนี่ยเถาวันในใจเราเนี่ยเราเห็นไหมไอความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากได้ลาบได้ยศได้สารเสริญได้เงินได้ทองความร่ํารวย ที่เรียกว่ากามตัณหาเนี่ยนะเห็นบั่งไหมมันมัดหัวใจผูกพันแน่นเหนียวเหลือเกินใครน้อจะตัดได้ท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงทำฝั่งอันเป็นเครื่องกั้นกระแสตัณหาเหล่านั้นเถิดทำฝั่งนะอันนี้ก็คือพระนิพพานนะให้เห็นพระนิพพานซะอย่าให้กระแสตัณหาอันเกิดแต่ใจไอ้ตัณหาเนี่ยมันเกิดเกิดอาศัยอะไรก็อาศัยใจอาศัยความคิด อาศัยความรู้อารมณ์ถ้าไม่มีใจนะการตัณหาเกิดไม่ได้พอมีใจขึ้นมาแนละ้วตัณหาบอกว่าอาฉันขอเกิดด้วยนะนี่เป็นอย่างนั้นอย่าให้กระแสตัณหาอันเกิดแต่ใจพัดพาทั้งพัดท่านทั้งหลายไปเร็วพลันดังกระแสน้าพัดต้นไม้อันตั้งอยู่ริมฝั่งไปฉะนั้นพัดไปไหนอะตัณหามันพัดเราไปไหน ก็พัดไปในอบายภูมิพัดไปในวัตสงสารอย่างเร็วเร็วนะคุณโยมเนี่ยคุณโยมตายเดี๋ยวกลับไปบ้านเนี่ยตายปุ๊บแล้วนะตัณหามันจะพาไปไหนอะตัณหามันต้องมุ่งไปสู่อารมณ์เนี่ยเรารักอะไรอยู่อะเราจะปะตายคืนเนี่ยแล้วก็แล้วแต่ตัณหามันจะว่ามันรักอะไรชอบอะไรรักลูกรักภรรยาลัก สามีรักทรัพย์สมบัตินานากันตัญหามันจะเอาเป็นอารมณ์ตอนใกล้ตายแล้วนั่นแหละเดี๋ยวก็จะได้ไปสู่ไปสู่ที่ที่เราไม่ปรารถนากันนะคือในกำเนิดของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรอย่างเนี้ยมันมันไม่น่าปรารถนาแต่มันก็พัดนะเพราะมันพัดมาตั้งแต่เราอยู่แล้วพอตอนตายยิ่งพัดเร็วเลย พระศาสดาผู้มีอาวุธคือปัญญาอาวุธของผู้เทวเจ้าเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่มีดไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ระเบิดปรมาณูไปถลม่มฮิโรชิมานางาตะกิอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาของพระองค์ปัญญาในเป็นธรรมชาติที่เข้าไปรู้แจ้งรู้แจ่มแจ้งในลักษณะของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ ไปรู้แจ้งในโอ้ตานี่มันเป็นอย่างนี้นะตามันเป็นประสาทตานะเป็นใสๆเกิดขึ้นด้วยกรรมดีของมนุษย์เนี่ยเกิดด้วยบุญนะรู้แจ้งในสีที่มากระทบตารู้แจ้งในจักขู่วิญญาณที่เกิดขึ้นตรงประสาทตาแล้วไปเห็นรู้แจ้งตัญหารู้ทัดหือมันเป็นยังไงเป็นยังไงรู้แจ้งในปัญญาที่จะไปตัดปัญหาปัญญาเรก็รู้จักตัวปัญญา เนี่ยท่านมีปัญญาเป็นอาวุธพวกเราก็ต้องฝึกเอาไวนะ้ในอาวุธของเราไม่ต้องไปซื้อหรอกไอ้ปืนเปินอาวุธที่เขามาหลอกขายเรามันไม่ใช่อวมันไม่ใช่ของช่วยชีวิตเราเป็นของทําลายชีวิตอาวุธที่สร้างมาเพื่อทําลายไม่ใช่เพื่อมาช่วยแต่ปัญญาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยอนุเคราะห์เราเอาง่ายง่ายมีปัญญารู้คุณพระพุทธเจ้าก็ระ ล, ลึกไปเถอะมีความสุข พระพุทธเจ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่ทําให้เรามีทุกข์แน่เราลึกไปในเราลึกไปในคุณของท่านหรือเรารู้จักศีลขึ้นมาเนี่เราก็อาศัยศีลนั่นแหะนะให้ความสุขกับชีวิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคือพระาศาสดาผู้มีอาวุธคือปัญญา อ, อันผู้อันหมู่ฤศี อ, อาศัยแล้วฤศีนี่ฤศีอันนี้หมายถึงผู้ที่ฝึกจิตเพื่อให้พ้นกิเลสนะไม่ใช่ฤศี ที่เราเข้าใจทั่วทั่วไปว่าฤาษีไปอยู่ตามป่าไปเพ่งไฟไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงหมู่พระอาหารหันต์ทั้งหลายอาศัยใครจะเป็นพระอรหันต์นี่ต้องอาศัยพุทธเจ้าอยูอ่ดีจะสําเร็จเองไม่ได้อยูอ่ดีว่าประกาศฉันเป็นภาวนาพุทธโธฉันสําเร็จแล้วไ ม, ไม่ไม่มีนะต้องนับถือฉันคนเดียวอย่างนี้นะไม่มีนะไม่มีหรอกพระอรหันต์ทั้งหลายต้องอาศัยพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทุกพระองค์ เราอยากจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราต้องอาศัยปัญญาของผูเ้เดียเจ้าอาศัยยังไงปรรัญญาผู้เดียเจ้าอยู่ในหัดอยู่ในหัวใจพูเพ้เดียเจ้าก็อาศัยคําสอนเพราะปัญญาของท่านนั่นแหละแสดงตัวเองออกมาโดยคําสอนแสดงตัวปัญญาออกมาด้วยคําสอนทั้งหมดคําสอนของพู้เดียเจ้าทุกคํานั้นเกิดด้วยปัญญาเราต้องอาศัยปัญญาของผู้เดียเจ้าทางคําสอนอย่างนี้ เป็นที่พึ่งแก่เราผู้มีภัยเกิดแล้วเนี่ยพระเถระเตลูกานิบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีอาวุธคือปัญญาแล้วก็เป็นที่พึ่งแก่ตัวท่านผู้มีภัยเกิดแล้วภัยคือสิ่งที่มันทำให้เราเดือดร้อนน่ะก็คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาโลภะราคะเหล่านั้นเนี่ยมันมันมั น, มนเป็นภัยชีวิต ผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานจากที่มิใช่ฝั่งคือสแสวงหาว่าที่ใดจะสิ้นทุกขจากที่ที่มีทุกขอยู่เนี่ยโอ้โหเนี่ยนะเรายังมีกิเลสเกิดขึ้นเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ไหนที่มันไม่มีทุกข์ละที่ไม่มีกิเลสก็มีที่เดียวเท่านั้นคือพระนิพพานที่จะต้องมุ่งไปสแสวงหาไม่ต้องไปสแสวงหานะเงินทองข้าวของอะไรเนี่ย